ยังตัววันนี้ทั้งวันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนตัวข้างหลังถ้าพูดโดนบอกบอกข้างหลังไม่ค่อยได้ยิน <c oughs> คนพูดเบาไปแล้วอื นีมีเค ท, ที่มานั่งฟังแต่ไม่ดูเรื่องก็ <c oughs> คือสองท่านคุณจีนเป็นินใหญ่เข้ามาปฏิบัติธรรม <c oughs> อดลําเปินจบคอร์ดแล้วรู้จะไปไหน้หคนแนะนนำ พระสุธานองบูชาบูชาสุภัทโทที่พูดถึงบ่อยๆข้าพระองค์จมาดังฟังวันนี้มีสองงานวันนี้มีสองสลา สารานนทนเป็นคนตายอสาราเนี่ยเป็นคนเป็นเรื่องเป็นตายรายดีอืม <c oughs> พวกเรารู้ไหมว่าเราสอนคนตายสอนอยังไงก็สอนคนเป็นสอนอยังไงทําไมมันสอนยากสอนเจ็บ สอนคนตายภาษาพระนกว่ากุศลาธรรมาอากุศลาธรรมาอพยยากตาธรรมาอารมตัตนนี้ก่อนที่จะพูดถึงกุศลาคืรอารมณ์ตนนั่นปุชากรจะนำเรื่องนิดหน่อยของกุชา ให้วเราฟังว่าลักษณะอย่างนี้ที่ลู้สิษย์ลูกน้กาจเป็นว่ารังบังค่าต่างชาติต่างประเทศกุศโลบายแลกุศลานั่นแหละกุศลารามาว่าหลวงปู่สอนอยังไง หลวงปู่เปรียบเทียบให้ฟังด่าหลวงปู่พูดจะเป็นขุนมาพมาพงา่งายพาูดง่ายพูดสั่นแต่ต้องใช้ปัญญาการเปรียบเทียบให้ฟังสัตว์2องชนิดก็คือนอกกับปลา นกมันอยู่บนฟ้าปลาอยู่ในน้ำนกมันไม่รู้จักว่าในน้ำอยู่ยังไงจะปลาปกันไหมกันแล้มันบนท้องฟ้านมันเป็นยังไงถ้าถามว่าสองคนจริงๆเขาไม่ได้เป็นคน สองสัตว์นะงงถ้าเป็ไงต้องจะรู้ต้องจะเข้าใจนะเจบาปลาลองประโยชน์บอกดูหมจะเป็นยังไงประโยชน์ไม่ได้เจนานกประโยชน์ในน้ำก็อยู่ไม่ได้ทุกครั้งทุกคราว เพราะนั้นจ้สองตัวนะอธิบายยังไงก็มันยากที่จะเข้าใจก็แต่มือจ้ า, าจปลามานโยนบอกมเมื่อไหร่บนอากาศมาเมื่อหล่จึงจะรู้สภาพเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้ออธิบายแนละวเองไมต้องไปถามนกแนละ้วจํานกได้ก็เหมือนกันลองไปอยู่ในนะ้ําใต้นะ้ําเมื่อไหร่หายใจเมือม่อไหร่ มันจะรู้ออสภาพเป็นยังไงเมื่อ น, นั้นก็ไม่ต้องถามในละกคลสลาคือฉลาดอาโคลสลาไม่ฉลาดอภิญาปตาเป็นกลางอารมณ์ของเราเป็นอย่างนี้มันจะนอกจบลาอยากรู้ในฉิ่ตัวเองไม่รู้แตเมื่อเข้าไปอย่างนั้นแล้วไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องไม่ใครสอนต้องไม่ใครถาม มันจะรู้ด้วยตนเองเราพยายามสอนพยายามอธิบายให้เข้าใจโดยเป็นธรรมะให้เป็นธรรมชาติแล้วหลายครั้งหลายคราวที่เราจะอธิสอนที่เป็นนามธรรมให้หมองเห้ป็นรูปนามธรรมมันชัดเจนมันก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายนะยา้ถามว่า สสารรูปความโกดธนี้สมมุติพูดเรื่อความโกร ธ, รกรธเราจะอธิบายยังไงให้คนเข้าใจโกรธเปน็นยังไงกับพละมากันไปโกรธอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าความโกรธกัน ก, ก็ตัวเองหรือเห็นคนอื่นโกรธเราก็จะเข้าใจสภาพหรือสภาวะโกรธอะไรก็เกิดปัญญา แต่ทุกวันั้นมันเกิดขึ้นกับเราเราไม่เกิดปัญญาหนึ่ความรูเกิดขึ้นก่อนแล้วความโลภเกิดขึ้นก่อนแล้วเรายังไม่รู้ตัวโด้ไม่คำว่าไม่รู้ตัวตัวสําคัญเราถามเราไม่เคยถามม่าทําไมมันโกรธมาตั้งทคงถามถามันโกรธเพราะอะไร โอดจากเรื่องอะไรถ้าเรานึกไม่ออกนมันเป็นนามธรรมถ้าสมมติว่าเป็นรูปธรรมสมมูรรถถามารถไปด้วยเองมเอได้ไหมมันวิ่งเองตามยังรถไม่ได้ เป็นเร็วเช้ามันอาศัยคนคือขับเคลื่อนไปหน้าได้แต่ถ้าคนลงจากรถลงไปต่อแล้วมันก็ไม่ไปเหมือนกันความโกรธของปู่เราเนะี่ยถ้าเราไม่ขับเคลื่อนมันคือออกจากมันคือออกจากเครื่อนนั้นออกจากรถเสร็จรถมันก็คือรถคนคือคน วัตถุก็คือวัตถุ <c oughs> พอเราไปยึดติดกับตรงนั้นเราคือใจไปยึดติดกับของสิ่งนั้นมันก็ความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่โทษมันไม่ได้ถ้าออกจากสิ่งนั้นคือวางเราว้วออกออึากอกความนึกสิ่งเหล่านัะมันก็แยกกันละทีนี้มันมันแยกไม่ออกมันยังเป็นอย่างนั้นมันยังไปขับเคลื่อนไปเรื่อยๆ เ, เพราะไม่ยอมลง คือไม่ยอมวางไม่ยอมหยุดในสิ่งที่เราคิดสิ่งเราพูดสิ่งเราทำมันยังเกิดทุกเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้เพราะเราขับเคลื่อนมันเองเราวางมันไม่ได้ออกจากมันไม่ได้ น, นี่คือเราอุปาทาน <c oughs> มันขันที่เรามีอยู่ขันหน้ารืขันกลางที่มีอยู่นันก็เพราะว่าจิตเราไปอยู่กับสิ่งเหนอย่ จิตเราเป็นตัวขับเคลื่อนมันมันเลยยึดมันเลยถือมันวางไม่ได้คือวางขันนั้นไม่ได้มันก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆอยู่นี้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้มันวิ่งไปหนึ่งความคิดคือสังขารนปรุงมันแต่งคิดไปเรื่อยรวมทั้งคิดดีคิดไม่ดีคิดไปเรื่อยเปิยคิดในมีสถานในคิดใมีที่อยู่ที่อยู่น่ะมสร้างเนี่ยตัวขับเคลื่อน เพรไม่ยอมหยุดไม่ยอมออกจากความคิดความคิดคำพูดกเหมือนกันการกระทํามันตัวส่งเสริมถ้าเราหยุดบ้างเราวางบ้างคือเปรคคืออัพญญากรารธรรมะเมื่อเราก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ในเช่นเวลาเรานอนหรืออย่างง่ายที่สุดก็คือมือสลาฝั่งมันคุณยายฝั่งคุณยายคนงเก้าสิบห้าแล้วนะ มันจักไปในวั้าบคือไปโดยธรรมชาติทา น, นก็ไปว่าเหลือแต่ขันคือดินน้ำไฟลมสุเทนาเสยสกายันไม่อยู่แล้วไม่อยู่มันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะเห็นไหมแต่นั้นถ้าเราขนาดที่เรามีชีวิตเป็นๆอยู่นี่ถ้าเราคิดได้อย่างนี้คืออาศัยหลักการนี้เอาอมาใช้เรามาแยกออกว่า แยกโดยความคิดนี่แหละคือใช้ความคิดนี่แนหะไม่ใช่แยกร่างถัดจา ก, กันจนเป็นรูปเป็นร่าง <c oughs> แยกความคิดวันนี้มันรูปนะนี่มันนามกนะ็คือให้เข้าใจรูปมันเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้รูปเป็นส่วนของรูปนามเป็นส่วนของนามเพราะว่าสี่ตัวมันไปยึดรูปอันนี้เอาไว้มันเลยปรงปุงมันเลยแต่งมัเลยคิดมันลือวนมันเป็นวัตตะ มันจะเป็นสังขารมันปรุงมันตั้งเพราะฉะนั้นมันตรองการข้ามอาสังขารคืออาสังขารสังกัตาธรรมอาสังคตาธรรมมันวนอยู่อย่างนี้วนด้วยความคิดคำพูดการกระทาของตัวเองอกิเลสกรรมวิบากประสานัตตะขอพระองกิเลสกรรมวิบากกิเลสคือชิดมันเศร้ามันหมองมันก็ สนองวความชอบคำบอกนะั้นทำความโลภความโกรธความห ล, ล, ล, ลงก็เกิดการกระทำหรือว่าพฤติกรร ม, มแสดงออกเมื่อทําลงไปสแสดงลงไปมันก็มีผลในการจัดทํากันไปก็คือวมมิบากเองเหมือนกันที่เราคิดอยู่นี่เราคิดดีผลของมันก็นสแสดงผลออกมาของดีคิดไม่ดีก็เหมือนกันทําดีผลออกมาเป็นอย่แบบทําไม่ดีนี่เราก็วัตาที่แท้จริง คือวนอยู่อย่างนี้นะตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจเข้าใจวัฏฏะสุสันกันวนเกิดแผ่เจ็บตายน่ะนเป็นปเรื่องใหญ่เรื่องยาวยิ่งไม่เข้าใจกันใหญ่วัฏฏะถ้ามันสั้นลงก็แค่นี้แหละทวันแล้วก็วนอยู่นี่เหมือนกินข้าวปลาอาหารกินทุกวันวันไหนไม่กินไม่มีนั่นะก็เรียกว่าวนเหมือนกันวนอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยเบื่อในสิ่งเหลนน่านี้ก็กินได้ทุกวัน วนกันไปเวียนกันมาวันนี้ฉันนโน่นนี่แต่ละวันเป็นเรื่องนี่คือวัตถางถ้าเราสอนนั่นให้เรียนวัตถานะความคิดก็เหมือนกันมันกลับวนไปวนมากลับไปที่อดีตเหมือนเดิมกลับไปที่อาวุธเหมือนเดิมเมืที่ผู้เชบอกว่าอยู่กับปัจจุบันนะเราก็ไม่ฟังเราก็กลับไปวนเนียวนกลับอยู่กับอดีตมันจบไปแล้วมันแล้วไปแล้ววนไปมาเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบัน ลืมมอหะหล่องลืมมันทำน้าที่ครอบงาำก็เป็นหลงก็บจุดสิ่งเล่านะั้นหลงก็อยู่กับอดีต <c oughs> คือไม่อยู่กับความจริงมันเป็นอยู่อดีตมันเป็นความจริงแต่ความจริงที่จบแล้วอนาคตจริงหรือเปล่าไม่รู้นั่นเป็นปัจจุบันนี่แหละคือความจริงแท้ แต่เราไม่อยู่เป็นอยู่กับสิ่งที่มันจบไปแล้วไม่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นอยู่นี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติทำให้อยู่กับตัวเรา <c oughs> ให้เข้าใจตัวเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างน้อยสิ่งก็รู้เท่าทันความคิดปรงแต่งก่อนตัวเองในแต่ละวันในแต่ละครั้งเรียกว่าสติคือรานึกนึกขึ้นไม่ได้ รู้ว่าทำไม่ดีเกิดจะทำไม่ดีขึ้นมา อ, อ้าวสติมึนขึ้นมาว่อนมากผมไม่ดีมันก็หยุดนถ้าเป็นรถกนมันก็ออรถขับหลวงทางแล้วมันหยุดเดี๋ยวไปไปต่อแต่ท่านี้เราไม่รู้ก็ยังไปต่ออยู่ยังคิดยังปรงุงยังแต่งไปต่ออยู่เราไม่ยอมออกจากรถไม่ยอมหยุดรถไม่ยอมหยุดปรุงแต่งก็คือขับขันหา้านี่ไปเรื่อย โหตาจยจมูกเลื่นกระจายไปเรื่อยๆอย่างทุกวันคือไม่ยอหยุดนี่คือเรืไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจแต่ก็หยุดทันทีอยู่้วยการกําหนดนพุทธเจ้าคําแรกพุทธเจ้าก็ใช้คําว่ากําหนดผู้ชมไม่ได้หัละสิ่งหล่านี้นะเราเข้าใจตรงกันว่าเมื่อพูดธรรมตั้งกล่าวที่เราเชื่อพุทธเจ้า ก็ต้องฟังพระพุทธเจ้พระพุทธเจ้าตรัสยังไงพูดยังไ ง, ไงว่าอย่างไงแล้วปฏิบัติอย่างไรก็เอาพระพุทธเจเป็นหลักพนระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้อบอกต้องกำหนดรู้ไม่ใช่กาหนดละไม่ใช่ตัวที่จะละมั น, นคือทุกข์เดียวแหละปวดปลายทางคืออยู่ยากอยู่ลำบากแต่ไม่รู้ประเด็นคือรับรู้มันเป็นทุกข์เหมือนขับรถหลงทางแรับรู้ไม่รู้ว่าตัวเองหลงทาง ขับไปเรื่อยส่วนองค์ประกอบกเป็นเรื่องหนึ่งที่มีส่วนให้รถมันวิ่งไปได้มันก็มีองค์ประกอบของมันอยู่เพราะนั้นก็ามคิดปรุงแต่งเหมือนกันที่จะลากสังขารนีไ้ไปได้ลากรูปเวทนาจิาตวิญญาณการวิญญาณไปลากดึง น, น้ำไฟลงลงไปได้นะมันก็มีเหตุปัจจัยของมันอยู่อันนี้ก็คือวัตถะ ส, สึกษา ที่มันวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้นี่พ่อใจก็เหมือนกันแต่เขาอื่นคนชั่วหน่อยเขาอื่นที่เขามีสมาธิไปแต่ชื่อยู่องชานเขาอยู่กับองค์ชานคือไม่ได้อยู่กับวนความคิดเหมือนพวกเราจริอยู่กับอารมณ์หรือว่าองของฌานมันก็ไปอี น, น, นันอีกรูปแบบหนึ่งแต่ของเรามันมีขค้นถูเรามาถึงมนุษย์สับหลายดู ร, ร, ระบบทฏิมนุษย์ ก็ ม, มันในมุมปิสัตสัตว์ในที่นี่หมายถึงสัตว์เอกสารอันนั้นมาทำไ ม, ไมพูดถึงครับมันเที่ยวกันไม่ได้เลยนะความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนีราเจอกันตามโดยที่ถามว่าสัตว์มันมีเหมือนนี่มีวาตามบบนนี้แหละก็คือคิดเหมือนเอาเปล่งเสียงเราจะเรียกว่าพูดเรียกอะไรก็ตามมีการกระทำกรนะลุกกรับ เหมือนกับเราเหมือนเจตตาเหมือนย่างเราจบแล้วจบแล้วมันไม่ได้คิดต่อเดเสลับซับซ้อนอย่างพวเราไม่ได้อคติมัรได้ทีมกันก็ไม่ได้สะสมหมังหมมเหมือนพวกเราพวกะเขาทำอะไรเหมือนพวกเราไม่ได้มันได้แค่นั้นวันต่อวันไม่ได้เหมือนพวกเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราโอกระนิจโกรก็คือน้อมก็เหมือน ฟังอะไรก็ตามที่น้อง ก, ก็มาเช่นเมื่อกี้พูดว่าฝั่งโน้นเข้าจับไปในวัยเ้าสิบห้านถ้าคนมีสติมันก็จะตามต่อโอ้ในวัยที่95้าสิบห้าเรามอาางดูตัวเราสมมติเราตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบสมมติมันก็เหลือเวลาเท่าไหร่หลักสิบเองนะแต่จะถึงหรือเปล่าไม่รู้ ธรไม่ใช่ของคนเราจริงยุคนี้สมัยนี้ไม่แต่พระสงฆ์โอนแหรือครบาอาจารย์หกสิบเจ็ดสิบตอนนี้เยอะที่ป่วยหนักๆนักหนักมากเยหนักธรรมดาหนักหนาสาหัสเยอะอย่างวันนี้เป็นงานสืบชะตาหลวงปู่ไปบบงมังกลท่านกะวัยแปดสิบเก้าผ่าตัดหัวใจก็ลำบากลแปดสิบเก้านะหลวงปู่ เห็นหมถ้าเราเราเอาหลวงปู่ อ, อายุตั้งตั้งไปเห็นไปฟังแล้วเอาแค่แปด้าตั้งตอนที่สมมติว่าเจ็ดสิ ม, มันก็ไม่ถึงยี่สิบปีพอระยะเวลาที่มันอยู่จริงๆมันไม่ถึงยี่สปีมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะลองนึกดูชีวิตที่เราผ่านมาที่สิบหกสิบันแป๊บเดียวเวลามันสั้นมันนอ้อยเราก็ยังงูยังประมาทม่องที่พระเจ้า เน้นย้ำก่อนเ <c oughs> วลาสุดท้ายก็คือเรื่องนี้แหละคือควประมาทนี่แหละเป็นห่วงมากๆากจะเปล่งวาจามาเป็นครั้งสุดท้ายก็เราอยู่ประมาทนะพระองคก็80ปีทีนี้ถ้าเราเอาอยุฒิเจ้าตั้งเป็นหลักก็ซ้ำลงอีกที่เมื่อกี้95 8าสิ้าแที่ลึก80ทีพวกเราลองนึกดูเล สำหรับคนที่เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วถามเหลือเวลาเท่าไหร่ที่จะเป็นกุศลธรรมะกุศลธรรมาอภยญญาการธรมาที่จะเข้าใจน้อยน้อยมากๆเมืถึงวันานั้นพระท่างก็สวดทั้งวันสามวันสองสามวันห้าวันเจ็ดวันสวดทุกวันกุศลากุศละอภยกากตาคนเป็นึเข้าใจสว่วนใครคนตายฟัง สนคนตายฟังยังรู้เรื่องหรือเปล่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็กลไปทำเนีย่ยไปเป็นนี้เลยไม่ได้ประโยชน์มแม่คําสุดท้ายยังไม่ได้ประโยชน์ด้วยสหรับคนไม่มีสติปัญญาแต่คนที่มีสติปัญญาแล้วโกรธนายกโกรธ น, นอกก็หาตัวเองพิจารณาต่อโยนที่เราลอยฟังทั้งพ่อแม่คืออาจารันนี่ที่ตัดจักเราเร า, า, า, าปรปรไปอายุก็ประมาณนี้แหละ บางท่านก็ห้าสิบกว่าไปแล้วน้ำพีก็หสิบกว่าห้าสิบไปไปไปแล้วชเครื่องวินตกก็ระงด้วยกันบานก็หกสิบกว่าเจดสิบกว่าโดยประมาณเพาะจากพูกเราไปหมดแล้วคนอายุเลขเก้าขึ้นน้อยน้อยมากอรมณบวกกเลขเก้าขึ้นแต่ว่าเก้าในสภาพที่นวราสุดท้ายหมายถึงสังขานคือร่างกาย มันก็ใช่อะไรไม่ได้แล้ไม่เดือวกับใจนเรื่องใจอีกเรื่องหนึ่งเราเห็นว่าเมื่อถึงวันนั้ น, น, น, นก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนพวกเราบวชแก่ตัวมาก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นทัดไปรอเวลาแก่ค่อยเป็นค่อยไปก็ทำถ้ายังไม่แก่ไปก่อนไมไ่เกิดอะไรขึ้ น, นบางคนเกียมาไม่กี่ปีไปแล้ว เพื่อเรายัางช่วงปีก็เสียมาหลายปียังอยู่ได้แต่ก็อย่าประมาทนะถ้าอายุผู้เจ้ตั้งเป็นเกณฑเป็นหลักเนี่ยมองก็ถ้าจะสะดุ้งเหมือนกัน <c oughs> คนพูดถึงก็เลขหกกลางๆมันก็เหลือเท่าไหร่ประมาณสิบห้าปีถ้าเอาผู้เจ้เป็นเกมโดยประมาณสิบห้าปีเยอะไหมไม่ได้นานวันเวลาวันเดือนปีผ่านไปปแป๊บเดียวแป๊เด ทําทำอะไรต้อง ร, รีบเร่งหรือเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความสังเวชคุสลบสังเวชได้ตรง น, นี้ต้องเป็นเรื่องของธรรมะสังเวชธรรมะสังเวชไม่เกิดขึ้นในิพาไม่ต้องมาพูดถึงความเบื่อหน่ายเรไม่มีความเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ลจากอรุราคะไม่ต้องพูดถึงนิพพาวิราคะ คื อ, อยู่ปัจจจักรกันวิราคานะไม่ต้องพูดถึงันหนึ่งจะไม่เกิดปีติฐานวิราคาไม่ขึ้นสติที่ผ่านนั่นคือกาดับกั่สิ่งเหล่านี้มัน ม, มีมันไม่มีวันไหนเลยที่เราความคิดความการกระทำของกันปรุงแต่งของเราดับรู้ยุดหยุดติหรือว่าคิดห้อยคิดสั้นกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่คิดกับสิ่งนี้เลยหรือไม่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยมันยาก นั้นทบุคคลใดที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่กับอารมณ์เป็น อ, อันเดียวเดียวโดยเอกกักรตาลมนั้นการปฏิบัติของเราคื อ, ม, อมุ่งไปสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ให้ใจเราอยู่กับอารมณ์อะไรอั น, นอะไรก็ได้ที่เราเปผูกมันไว้คือต้องการจิตมันผูกมันเกาะมันจะนั้นไม่ไปไกลูบา่าใ จ, จะนะเปรียบฟังไงมันก็วัวกระควาย ถ้าเราไม่มีเชือกผูกไว้มันกับหลักปันมันก็ไปเรื่อยไปแต่ถ้ามีเชือกมันไปมันก็ยังวนอยู่ใกล้ๆแต่มันมีหลักวนไปวนมาอยู่ดังนั้นเหมือนกันสติเราถ้ามีตัวผูกตัวมัดเอาไว้มันไปมันก็กลับนะมันนี้ไปเที่ยวก็มันคิดมันปร่งมันแต่งมันก็รู้ตัวขึ้นมาเอาโอปนัสโกนกองจิตก็วิ่งกลับมาที่เดิมคิดประสบร่งกาย งันจิตเขาเอาไปเล่นไปนับนะพู้เราก็เหมือนกับนะวันเราดูแลเด็กเดกเปรบท่ากันเสมอว่าเหมือนกับเราดูแลเด็กเด ก, เ ด, กเด็กก็คือเด็กการกระทําองเขาเป็ก ร, กระทําเราก็คือเราจิตเราเป็นอย่างนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รับการอบรมสมมุติว่าเด็กคนนั้นไม่ได้รับการอบรมเลยเ ม, มื่อเราเกิดขึ้นมาสมมติ เ, เกิดขึ้นมาไม่มีการเรียนรู้เลย ไม่รับการอบรมไม่เรียนหนังสือเอาสมุิมันจะรู้เรื่องอะไรของโลกมันก็ไม่มีการพัฒนาคือไม่เจริญพดยังไงพัฒนาแปลว่าเจริญมันก็มีความเจริญเกิดขึ้นในทุกๆด้านแต่ถ้าเด็กมันการเรียนรู้เข้าใจภาพสิ่งแวดล้อมก็ร่มฉลาดกูสละกูสละ นี่เรื่องกุศลาทำมามันก็ฉลาดขึ้นทำเนี่ยมันฉลาดเมื่อการเรียนรู้สภาพวิชาทั้งหลายแหลงมันโตขึ้นมันก็มีมความฉลาดคืมีวิชาคืมีความรู้เมื่องจรณะประวัดกันไปวิชากับจรณะทั้งคู่กันมีแต่วิชาความรู้อย่างเดียวจรณะไม่มีเลยมนะันเรียกว่าเรียนดีเรียนเก่งเรียนเก่ง ในขอบประพุณแย่คือเจรณะไม่มีอนิี้ใช่ไม่ได้คนที่มีเรียนดีคนจำดีต้องเป็นคนดีด้วยยง้คือเรียนดีคือเก่งเก่งไม่พอสี่พันทํากันทนิสุยคือต้องเป็นคนดีเ็นสิ่งที่ต้องการล้วถ้าอยาให้เด็กดีก็ต้องรับการอบรมฝึกดูแลคอยบอก คอยสอนคอยอบรมจิตของเรานี่นก็เหมือนกันธรรมะอบรมมันเลยไม่สอนมันเลยจิตไม่ได้บทเรียนเลยมันก็อยู่แบบธรรมชาติของมันวันหนึ่งมันออกจากร่างมันก็ไปแบบไม่รู้เหมือนเด็กๆสมมติเด็กเกิดมาตั้งแต่ต้นจนโตจแกจจนตายจากไปมันก็ไปตายแบบไม่มีความรู้ต่างกันนะอาการแบ่นี้จิต ที่ได้รับการอบรมแล้วพัฒนาแล้วศึกษาแล้วฝึกผลตอนดีแล้วมันต่างกันคือผลมันต่างกันนีกุศลธรรมาอากุศลธรรมาอภัยกถาธรมาแค่เริ่มต้นแค่นี้เราก็ตอบยอดเจอะแยะมากมายกลับไปที่เดิมเหมือนลูกปูชาบางทนะเห็นไหมไอเจ้านกไับเจ้าปลาเนะี่ยตอนั้นมันเข้าใจอย่างนี้มันไม่ต้องไปอะไรแล้วมันไม่ต้องไปถามหานะ มันเคเปรียบเทียบมาทำเรื่องเรื่องของพวกนี้มัน <c ười> คือน้ําร้อนรอให้ใจนึกออกแล้วทําไมพูดถึงน้ําร้อนทําไมน้ําอยู่ดีๆของมันน้ําดื่มเจนชําธรรมดาทาไมเกิเป็นน้ําร้อนน้ํามันร้อนเองไหมมันไม่ได้ร้อนเองใครเป็นคนทําให้รอ้อนคนมนุษย์ จากน้ำเย็นกลายเป็นน้ํำรอ้อนคือเอาไปต้มไปเสิบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นฟืนหรือเป็นแก๊สอะไรก็แล้วแต่สุปก็ไงคือน้ํำเย็นทั้งน้นรอ้อนคือไปเผาให้มันรอ้อนน้ําจากน้ําเย็นก็กลายเป็นน้ําร้อนเห็นไหมสภาพใจเราเป็นอย่างนี้เดิมเขาเป็นกลางก็ไปน้ำเย็นมันโดนเผาเหมือนน้ํา ก็กลายเป็นใจร้อนใจเย็นๆอยู่ดีๆใช้ธรรมดาอยู่ดีกลายเป็นใจร้อนขึ้นมาแต่เราไม่รู้เราก็ไปสงสิมได้แต่บ น, นทาไมมันร้อนเอาเราไม่ถอดปลั๊กเราไปใส่ฟืนเข้าไปอีกเพิ่มแก๊สเข้าไปอีกเล่นกาไปอีกแเราจะโทษใครไปโทษครบไม่ได้ถ้าเราถอดออก ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวมันก็กลับสภาวะเดิมเย็นเย็นก็คือปกติเหมือนสภาพเดิมมันนั่นแหละมันไม่ได้ร้อนสภาพเดิมมันคือมันไม่ได้ร้อนึใจหรือจิตของเราเหมือนกันที่มันร้อนก็มันไปโดนเผาคือสําคัญเพราะฉะนั้นเวลาบำเพ็ญหรือว่าปฏิบัติ อารมณ์ของอภิษนาคำแรกที่ท่านใช้คืออันนี้แหละถ้าเอาความเจ้ความร้อนนั่เป็นประเด็นก็คือตป ะ, ปป ะ, ตปะตท่านใช้ตะปะตปะคือความร้อนตัวที่จะเร่งความร้อนตัวเนี้ถ้าถ้าไปเผากิ่งอื่นมันคงจะเป็นโทษแต่ถ้าเอาความร้อนอันนี้ไปเผากิเลสเท่าความร้อน คำว่าเานั่นคือความเพียรท่านหมายถึงความเพียรความเพียรใ น, นถ้าเราไปเผากิเลสมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราโดนกิเลสเผาเราเราไม่เคยเผากิเลสแต่กิ เ, เ, เลสเผาเราเราเราเผามันหรือมัง้งโดยใา้ัความเพียรก็คือสติปัฏฐานสี่ คืออวัยบะที่เป็นของกายยืนเดินนั่งนอนเผามันยืนเยอะนั่งเยอะเดินยเยอะๆเป็นตัวเผาเราเผาก็เลยอาตาปีกัญชาอาตาปีความเพียนยังกิเลสให้ร้อนกเล็ก็จะร้อนอาตาปีสติมาออกมาเกิดรู้ตัวขึ้นมาเผ า, าร้อนตัวเรื่อร้อนั่นคือสติมา สัมปชานโนคือรู้ตัวรู้พร้อมไม่ใช่รู้อย่างใดอย่างหนึ่งคือรู้หลายเรื่องแต่เรื่องพร้อมพร้อมกันในอารมณ์เดียวกันในขณะเดียวกันนั่นคือประสัมปชานโน่อันนี้นคืออารมณ์ของวิปัสนาถ้าใครวิปัสนาถ้าอารมณ์อย่างนี้ถ้ามีความเพียรไม่มีจะไปไม่ได้เลยวิปัสนาคือมุ่งไปที่ปัญญา คือต้องสุดท้ายประธามันต้องเกิดปัญญามจรเงๆบอกว่าน้ําร้อนสุดท้ายไปแล้วต้องรู้เออยืนยันน้าจะไปร้อนได้ยังไงถ้าเราไม่เผาเออเนี่ยเรวคิดได้เนี่แตัวปัญญาเรื่องตัวปรัชนาต้องการให้จิตของเราใจของเราความคิดของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าร้อนแต่โอ้มันร้อนร้อนจังแล้วก็วางแล้วก็จบมันเจนเหมือนกับ อื่นๆก็เหมือนกันโดยทํานองนี้เหมือนกันในตัวเราเนี่ยเหมือนกันหมดกายวาจาใจเหมือนกันกายมันร้อนวาจามันร้อนใจมันร้อนเพราะอะไรกายมันถึงร้อนเพราะใจมันถึงร้อนใจมันถึงร้อนมันจึงไม่เย็นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเผาเราในขณะนั้นกิเลสมันเผาเรามันจึงได้ร้อนแล้วก็ตามมันมันร้อนมันไม่ดับ ไม่ดับต่อเนื่องอันตรายถึงตายฆ่ากันตายเพราะอะไรเพราะมันต่อเนื่องความโกรธต่อเนื่องความโลภต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นสะสมมก ม, มุ่จนสุดท้ายถึงขั้น Senior. เอาชีวิตกันทุกวันเกิดขึ้นทุกวันอย่าง links. ฟังทะเลาะกันเป็นประจําเรื่องเดิมเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่ ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามอยู่ได้สียห้าเจ็ดแปดลบสะสมแล้วเกิด ค, ความไม่พอใจเกิด ค, ความไม่ยินดีไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังไปคิดซ้ำๆเรื่องเดิมเนี่ยมันจึงเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ชั่วบุกเป็นเหตุถึงนขากันตายได้เห็นไหมนั่นคือโทษโทษของมันหลังสุดาะดัปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะออกมาแล้วเป็นอารมณ์ อารมณ์กับปัญญาแต่พูดง่ายคือคนที่มีปัญญาก็ต้องอาศัยสัญญาแต่ว่าจะไปหลงว่าสัญญาเปนของดีมันคือปัญญามันไม่ใช่สัญญาคือสัญญาปัญญาคือปัญญาคนละเรื่องทุกวันเราพึ่งสัญญามากไปในชีวิตประจำวันเราไม่ได้พึ่งปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีปัญญาแต่พูดอย่างนี้กะหาว่าดูถูก จริงๆแล้วมันก็ดูไม่ผิดนั่นแหละคือดูถูกจริงๆคือดูไม่ผิดนะคนที่ไม่มีปัญญาก็ไมแปลว่าไม่มีปัญญาเลยมีแต่น้อยปัญญาน้อยยังน้อยไปปัญญามันน้อยทำอะไรไม่ได้มีเงินน้อยทำอะไรไม่ได้มีเงินเหมือนเขาเหมือนกันทุกคนมีเงินหมดไม่เลยมีใครไม่มีเงินทุกคนเคยมีเงินไม่มีอะไรที่มีเคย แต่ว่ามีมากมีน้อยต่างกันตรงนี้แหละคนอยากดีมีจนต่างกันตรงนี้ฐานะกอนเงินเดือนต่างกันก็ตรงนี้แหละคนจะมีเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยมีเงินเดือนทุกคนใครจะมีมากมีน้อยมีมากใครอยู่ที่ว่าใครจะใช้มากหรือใช้น้อยคนเงินเดือนไม่มากแต่ใช้น้อยมันก็อยู่คนมีมากใช้เยอะมันก็ไม่มีมีค่าเท่ากัน เงินเดือนแสนหนึ่งกับเงินเดือนหมื่นหนึ่งมันไม่ต่างกันมีแสนใช้แสนมีเงินหมื่นใช้ห้าพันมึงยังเหลือห้าพันเห็นมันอยู่ตัวเนี้ยอือสติปัญญาเนี้ยอยู่ที่ว่าเราเก็บได้มากขนาดไหนเราอดไดมากขนาดไหนความสำคัญอยู่ตรงนี้มัญญนไม่อยู่ในปริมาณ ม, มันอยู่ยี่คุณภาพอยู่ในคุณค่าเพราะนั้นคุณค่านั้นสำคัญโดยที่สำคันมากคือคุณภาพ มันตัวเรานะั่นเหมือนการทำตัวให้มีคุณค่าทำตัวให้มีคุณภา พ, า ห, มภาพหมายถึงจิตจิตทีมีคุณภาพจิตที่มีคุณภาพที่ดีมันจะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนสุขภาพคนที่มีสุขภาพดีมันจะไม่มีควาเจ็บไข้ไป่วยไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเลยมันมีเป็นไม่แสดงอาการเป น, นกฎทุกคนมีหมดแท็กจิตก็ไม่มีก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรเราแข็งแรงเราสบายเราไม่เป็นไ ร, ร, ไ น, ไรนั่นคือประมาณ ในความประมาทในความไม่มีที่เราคิดว่ามันมีแต่เรามองไม่เห็นไม่ปรากฏเพราะตาไปที่เรามีลมหายใจอยู่ยังมีขันรูปเวทนาใจสังขารขอยู่ไม่มีใครเลยไม่มีไม่มีใครไม่เคยเลยไม่มีเพราะนี่นคือความเจ็บไข้ได้ป่วยคนชรามีทุกคนแต่คิดต้องฆ่ในประมาทนีน่คือความประมาณ ความประมาทเกิดขึ้นแล้วมาทําลายตัวเองแม้นั้นพวกเราทั้งหลายไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะคือการฝึกสติปัญญาตัวที่เกิดสติปัญญาได้ก็คือภาวนาความเพียรขอภาวนาต้องมีคือต้องเห็นปฏิต่างภาวนาคือพัฒนาต้องมีการพัฒนาต้องมีการเจเริญคือดีขึ้น มากขึ้นมาก ก, ามกว่าเก่าอันนี้เราภาวนาความเพียรนะเป็นตัวชี้วัดนะทาให้มีความเพียรเลยนะอูยากเลยไปต่อไม่ได้เลยถ้าม่มีตัวนี้ความเพียรจะรื่องสําคัญแต่ความเพียรนนะมันจะต้องต่อเนื่องรัศมีปติถ้ามันไม่ต่อเนื่องก็ขาดเกินเกินทำบ้างมาแต่ละคิดได้บ้างคิดได้บ้างมาได้บ้างเขาเป็นอย่างนี้หละเราก็เป็นเหมือนพวกเรทุกคนนะ่ะ เราไม่ต่อเนื่องถ้าคนคิดได้สติปัญญาภาวนาความเพียรนี่คือตั ว, ตวปุถผพกิเลสตัวอาตมีเราจะเรียนรู้เข้าใจใตัวตนเรามากขึ้นเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วไม่ต้องไปศึ่อสาใครแล้วไม่ต้องไปดูใครแล้วม่ต้องไปถามกันแล้วนอกก็ไม่ต้องไปถามปลาปลาก็ไม่ต้องไปถามนกมันรู้เรื่องแล้วต้องไปทำนอีกเข้าใจแล้ว ต้งเรียนรู้เพราะนั้นนกเกาะสอนปลาไม่ได้ปลาก็สอนนอกไม่ได้มันต้องรู้รู้ตัวเองเหมือนน้ำร้อนกรับไปเจอหลวงปู่พุชาก็สอนอีกว่าน้ําร้อนเนี่ย ม, ม, มันต้องบอกไว้ละมั้งมันบอกไหมว่าเป็นภาษาในโลกมัรู้กี่ภาษาก็เรียกงไมเหมือนกันถ้าเราจะจะเรียนรู้ว่าประเทศนี้เรียกน้ําร้อนว่าอย่างไงหลายร้อยประเทศกับหลายร้อยภาษาเรียกเหมือนกัน แต่ถ้าคนหลายคนหลายร้อยคนหลายพันคนเอามือจุ่มลงน้ําร้อนเลยไม่ต้องไปบอกกันเลยว่าน้าร้อนเป็นยังไงทุกคนจะรู้ตรงกันก็คื อ, อความรู้สึกตรงกันแต่รู้เสร็จแล้วจะจุ่มอีกไหมอีกเป็เรื่องหนึ่งนะรู้แล้วมันร้อนก็จะไปทำได้ทำเดิมรู้แล้วมนร้อนก็จะไปเผามันแต่มันก็เย็นเหมือนเดิมจากร้้นนี่คืเป็นเย็นเหมือนกันนี่คือสติปัญญา รั้งการภาวนาคือต้องการสภาวะจิตของเราเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าภาวนาแปลว่าทําให้มีทําให้เป็นทําให้เกิดขึ้นทําให้ดีกว่าเก่าคือคําว่าภาวนาภาวนาตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทาให้มันเจริญทำใหมันดีขึ้นกว่าเก่าส่วนตัวแรกเนะี่ยกำหนดตัวสองคือละละแล้วก็มันต้องมีวิธีธรรมันที่สอง นี่คือดับละอะไรตงคือต้องละได้พวกนี้ละแต่ละได้พยายามจะละแต่ละไม่ได้คือละได้แล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆคือคนทางเราเรียกว่ามั่งเดินอย่างนี้แหละคือปฏิบัติอย่างนี้แหละคือยืนเดินนั่งนอนดูความมีสตินี่แหละส่วนที่เรีสิ่งสมาธิปัญญาเพื่อนก็จะตามันเป็นขั้นตอนของมันเองเราก็จะเดินไปเรื่อยๆผ่านอะไรเราก็จะรู้เอง สองเก้าสามเกสี่เก้าผ่านเชียงใหม่ลำปูนลำบางแม่สอนเราก็จะรู้เองไม่ต้องไปถามใครแล้วเดีว่าที่นี่คืออะไรที่นี่เราถึงไหนแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วเราก็จะรู้ตัวเราเองเนี่ยนี่คือความสําคัญนี่คือหลักแล้ว<ม>เรามีหลักขอให้เราอยู่กับหลักกันนะถ้าใครไม่มีหลักเหมือนเดิมเหมือนวุ่นเหมือนควายสเปะสป่าไปเรื่อยจิตมันก็ออกไปเรื่อยเร็วคิดไม่มีหลักพูดไม่มีหลักทําไม่มีหลัก อยู่ทกวันทุกวันเราไม่ยึดหลักนเขาเรียกว่าไม่ยึดหลักการเมื่อไม่ยึดหลักการนีอย่างเดียวก็คือหลักกูทุกวันเรายึดหลักการนี่หลักกูก็หลักกูทั้งนั้น่ะกูคิดเองบุญเองทําเองโกเดือดร้อนเองเห็นไหมนี่คือหลักกูนะส่วนถ้าเป็นคนมีหลักการเราจะเข้าใจโดยสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือหลักการ แล้วคนมีหลักการเป็นอย่างนี้นแต่คนไม่มีหกการก็ไม่ได้ พ, พึ่งพาเสียงนี้เลยคือมันจะไปพึ่งพาสติสมปทิปัญญาหรือสิ่สัมปิปัญญาตามสิ่งที่เาเอานาไม่มีคือหลักกูนี่แหละกูจะคิดอะไรคิดไปเรื่อยกูจะพูดอะไรกูก็พูดไปเไรปเื่อยกูจะทําอะไรกูก็ทําไปเรื่อยนี่หลักกูก็เลือกเอาใจะหลักการนี่แหลักกูที่หลักการเจริญที่หลักกูเสื่อมเราจะเลือกเจริญ จะเลือกเสื่อมเลือกได้แต่จะเลือกเหมือนเดิมเอาแบเสื่อมอย่างนี้แหละเสื่อมคือหายนะนะคือพินาศนะนี่คือความเสืกส่วนภาวนาเ็นนคนเจริญก็คือพัฒนาดีขึ้นจเจริญขึ้นดีกว่าเก่ามากกว่าเก่าสว่างกว่าเก่ามายถึงจิตเรียนรู้อะไรมากขึ้นดีขึ้นเยอะขึ้นเข้าใจอะไรอะไรมากมากขึ้น ดีกว่าเก่าแต่ถ้าเป็นลาคูเหมือนเดิมกูพก็จอยู่อย่างนี้กก็จะอยู่อย่างนี้นเราก็จะได้คันไม่มีคนเจริญสุดท้ายมันก็จะตกต่ำไปเรื่อยมันอายะน่ไปเรื่อยจิตเนี่ยแทนซี่กลับมาเป็นมนุษย์เป็นคนทาําวาบในคนใหม่จิตมันก็อยู่กับเราอะไรก็ไม่รู้มีเขามีขนคุดรู้อยู่อยู่ในธรบินบนอากาศเป็นนกเป็นปลา นกหนูปูปลาว่ า, ากันไปสังขารเหมือนกันยุทธประธรรมนามารรมเหมือนกันแต่มีการเรียนรู้เาอะากยากมากนั่นแหละคือเด็กที่ไม่มีการเรียนรู้เลยคือพวกเขาเหล่านั้นละ่ะเนกุ้งหอยปูปลาช้างมาวัวควายเหมือนกับเราเลยแต่ไม่มีการอุรมบมเพาะพัฒนาเหมือนพวกเราเขาก็ไปอย่างนั้นเกิดม า, านั้นก็ไปอย่างนั้น พวกเราตัวเราโชคดีแต่ละการฝึกหัดอารมณ์ผมเพราะนิสัยมันดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันไม่ต่างอะไรกับพวกเขาเลยนะสำคัญตรงนีนะ้ถ้าไปทำเหมือนพวกเขาเลยคือไม่ได้มีการเรียนรู้เลยไม่มีศีลม่ไม่มีมมมปัญญาเลยมันจะต่างกันตรงไหนหมายถึงจิตสภาวะจิตไม่ต่างไม่มีความธําคัรคามแ่างรือว่า การสิ่งเหล่านี้ทั้งหดทั้งปวงอยู่ที่พวกเราดังนัะนจะยกฐานะของจิตให้มันสูงกว่านี้หรือมันต่าไปกว่านี้คือถ้ามันต่ําไม่ยากไม่ต้องทําอะไรเลยจิตเนี่ยธรรมชาติของมัะก็จะไหลไปต่ําไปเรื่อยๆ เ, เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ําคือไหลจากที่สูงลงที่ต่ําถ้าเราไม่กั้นเอาไว้ ถ้าเราไม่ทำเคืนหรืออยู่ในระดับเดียวกันมันยากจิตเหมือนกันถ้าม่มีอะไรกันเลยมีอะไรปิดเลยมันก็ยากมันก็จะไหลไปสิ่งลอ น, นถ้าจะไปที่สูงไปยังไงต้องทวนเพราะจิตมันมลองตั้งใช่ไหมมันก็ทวนกระแสคือทวนน้ำนี่แหละแต่มันยากนะว่ายทวนน้ำยากถ้าว่ายตามน้ำง่าย มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราตามจิตของเราคือเอาแต่ใจตัวเองตามจิตของเรานีไ่ไปตามนะคือตามใจตัวเองแต่ถ้าฝืนหรือว่าฝึกแล้วก็ฝืนเราจะได้ดีเราจะได้ดีคือการฝึกฝนฝึกด้วยฝนด้วยฝืนด้วยฝืนธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่ตามธรรมชาติเราจะได้ ด, ด, ด, ด, มมเ ด, ดีเราจะไปได้สู ง, ม, งมันก็มันก็จะไหลไปธรรมชาติเหมือนทุกวันนะั่นแหล อารมณ์เราก็จะไหลไปเรื่อยๆไม่มีพฤกษิตร่วมกันคือพฤกษการดีสุดเขื่อนที่ดีสุดคือสินสมาธิปัญญานี่ยแหละถ้าสินสมาธิยังไม่พอมันก็ไม่เป็นเขื่อนที่กั้นสิ่งเหล่นี้ได้เมื่อกั้นสิ่งแล้ได้กั้นเยอะๆได้เห็นไหมที่เป็นเขื่อนก็กลับก็เก็บน้ําไว้นั่นคือเขากั้นดีน้ำมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่จะไหลแล้วมันก็สามารถที่จะมีปริมาณเยอะๆก็มีประโยชน์ที่กราเหมือนกัน เพราะนั้นเรทั้งหลายอย่าประมาทในสิ่งเหล่า น, นี้โอ๊บนาจิโก้น้อมเข้ามาทุกอย่างที่เราพัฒนาตาพัฒนาตัณ ง, งพิจารณาเรียนรู้ในสิ่งเหล่า น, นี้เนี่ยเคยพูดดูกิดปีกี่ชาติไปแล้วก็แบบอกแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้ น, นให้เราทับรูนะ้มันตั้งอยู่ให้พิจารณาแล้วสิ่งเหล่านั้ น, น, นมันก็จะสลายไปตามสภาวะของมันคือดับนั่นแหละ นี่คือารมณ์ความไปสนานะถ้าเราเกิดขึ้นมีการรับรู้เลยเลยจะเจ๊ยก็ไม่มีการพิจารณาไม่มีการเรียรู้เสียแล้วมันจะดับได้ยังไงมันจะเย็นได้ยังไงมพวกเราไม่เคยศึกษาไม่เคยทำเป็นประเด็นในการเรียนรู้ในการศึกษาในการพัฒนาเลยทีีน้ายรู้แต่ว่าน้ําร้อนก็ร้อนอยู่อย่างนี้แหละหายไปทีมันจะมันดับมหายไปทีมันเย็นมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่คือความสําคัญ การฝากเราทุกคนเพื่อให้เป็นแนวแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติมาจิตของเราใจของเราการกระทำของราจะไม่วนกลับมาที่เดิมเรียกว่าวัฏตะถ้าใครไม่คิดอย่างเนี้ยหรือตัดใต้คิดคาพูดตัดใต้ก่อนเนี่ยเราตัดวตัดอย่างนี้หละไม่ต้องไปตัดอะไรตัดความคิดการพูดการทําของตัวเองไม่ให้ไปต่อความอยากสาความยืดนี่คือวัฏฏะ วัตถะที่มันอยู่ถึงแม้จะตญาติมักจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่บอกว่าสามชาติอาชาติเจ็ดชาติที่มันวนไปเวียนมาอยู่ตรงนี้มันก็จะสั้นลงนะแทนเจนเดียว ก, กันรู้กิพภิกข์กิการนันก็เหลือแค่แค่เจ็ดชาติเองแทนตเราเริ่ต้นอย่างนี้เลยยากมันจะกลายเป็นวนอยู่อย่างเนี้ยวามคิดคำพูดกันกระทำวนไปวนมาอยู่นี่นีน่แหละคือวัตถะที่แท้จริงที่ขังตัวเราเอง คืไปไหนไม่ได้วนอยู่ใน น, นี้วนไปมเหมือนเสือส้อติดจังเสื้ติดทางตัวนี่เรน่องขยกะก็ออกจาก่สิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาถึงจะตัดสิ่งเหล่านี้ถึงจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้และจิตของเราก็จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้คือสูงกว่าสิ่งเหล่านี้พวกเหาเนี้มันก็อยู่คว า, ามต่ำคนอยู่ที่สูงจะมองเพียงสิ้นชิ้นต่ํากว่าดีที่สุด เราอยู่ที่สูงมองไปเราก็จะเห็นหมดเจตของเราเหมือนกันถ้าเจตเราสูงแล้วยุนเหนือแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้โดยเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นเราฝึกเพื่อให้เจตของเราสูงเราจะได้มองเห็นของต่ําๆสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเราจะเรียกว่าพ้นจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้โดยภาพรวมคือทุกทุกข์ทุกข์ชอบอ ก็คือเราเรียกสิเหล่านี้ว่าคนทุกข์มันคือยืนกระทุกคือไม่เอานั่นเองเราวางแล้วเราไม่ขับรถอันนี้คันนี้แล้วเราออกจากรถแล้วรถมันก็คือรถมันไปต่อไม่ได้เราก็คือเราแยกกันออกจิตก็คือจิตกายก็คือกายมันจะกออกจากกันมันต่อได้กันไม่ได้มันเชื่อมกันไม่ได้แล้ว็ปจะไปอย่างนี้แล้วสุดท้ายปายทางเหมือนก็บฟังนู้นคือตอนนี้มันมันไม่ได้เชื่อมต่อกันแล้ว คือรวบขบนามไม่ทําหน้าที่แล้วมันแยกจากกันแล้วก็เรียกว่าตายแต่ว่าสี่ตัวมันไม่ได้ตายนะเวทนาญาสังขารมันยังไม่ตายมันยึดเอาไปมันมีที่ตั้งมีที่ยึดมันต้องเกาะต่ออีกไม่งั้นรถมันไปต่อไม่ได้มันก็ไปเปลี่ยนใหม่มันก็ไปต่ออด้ไหมแต่ท่านมีแค่สี่ตัวก็แล้วมีแค่นึ่มันยังไปต่ออยู่นะไปต่อด้วยอาศัยรูปละเอียดนั่นแหละ รู้เท่มันนึกเอานะมันก็เกาะตัวนั้นไปมันก็ติดตัวนั้นไปมันก็ไปต่อข้ามันกลายเป็นรูปอรูปอยู่อย่างนั้นมันก็ยังไม่หมดจับไม่มันคือยังไม่พ้นจากทุกคือไม่พ้นจับกลับมาเป็นอาศัยดูร่างกายสังขารเมื่อหมดวาระหมดอายุไขแม้จยูเป็นกลับเป็นการเป็นหมื่นมันก็กลับมาที่เดิมเหมือนเดิมนี่อันตรายอย่างนี้วนไปวนมาอยู่เนี่เราเอวัฏฏะสงสารไปนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นข้อคิดเตือนใจอย่างดีพวกเราถ้าเราเอาไปนึกคิดทบทวนดูดีแล้วเราจะเข้าใจนสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดซึ่ง้เข้าใจว่า เ, าเราจะพยายามยังไงก็ตามที่ไม่ให้วนเวียนอยู่เนะะคือเวียนอยู่ความคิดคำพูดการทำํำเดิมอยู่เนี่ยวัฏฏมันก็จะน้อยลงสั้นลงเรื่องรู้จักวัฏาะสงสารจนสุดท้ายเปิดคือเป็นอุ้ยวัฏฏะ มันจะไม่วนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วคือตัดเอาแล้วจากสังคตตาธรรมเป็นอสังคตาธรรมที่มันตัดนี้ก็เพราะว่าเป็นอสังคตาธรรมเราไม่ได้ปรงุงไม่ได้แต่งมากกว่นมันจุดการปรุงแต่งแล้วอยู่เหนืการปรุงแต่งนี่นั่นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราเพราะนั้นสินสวัทติปัญญาจะเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้ใจของเราไหลลงต่าเป็นมากกว่านี้มันจะไม่อันตราย อันนคือสาระฝังพเราระดับวันพระวันนี้ฝังเป็นยีว่าพวกเราเอาไปคิดแล้วโ อ, ปคโคอเอปอร์ิชโก้อนาะก็ท่านพิจารณาอยู่บ่อยทุกมือทุกวันมันเรีรับประโยชน์จากการเกิดแก่จับตายซึ่งมันใกล้เข้ามาแล้วทุกคนใกล้เข้ามาแล้วไม่ได้ไกลเลยก็ใครธรรมะระวังเสียงตรงนี้เราเคย ร, รับประโยชน์แต่เราคิดได้กืเอเจอเป็นคนพัฒนามีการเรียนรู้มีการอบรม คนที่เราการอุรมดีแล้วฝึกทีแล้วภาวนาทีแล้วคนนั้นจะรับอัสองแน่นอนคือไปดีอย่างน้อยที่สุดข้อสําคัญคือข้อแรกคือไปดีคือสุขประตูบา น, น้นหละไปดีก็คือไม่ไปต่ําก่อนนี้ไปดีไปสูงก่อ น, นี้มือนกนก็ไปไม่ดีทุกขัดติดไปไม่ดีมือจิตออกจร่าง ไ, ไปไม่ดี <S <S สิ่งเหลานี้เราเลือกได้ตอนนี้เราเลือกได้แต่จิตออกจากร่างแล้วเลือกไม่ได้ ปะเด็นเดี๋ยวตรงประเด็นตรงไหนก็ได้แต่เรายังเลือกได้อยู่ก็ขอให้เราทลายเลือกเถอะเลือกที่นแล้วละเลิกจนมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ก็จะรับประโยชน์เป็นนั้นก็ขอใเราทั้งหลายถ้ามีความสุขคนจะเดินตางมฐานรูปของตนอยู่แบบโลกก็ให้เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เดิญในแบบธรรมเราทั้งหลายมีความสุขคนจรเดินทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเดิน